พระธรรมเทศนาลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทไยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่ายิ่งมีปัญญายิ่งรู้คุณคน่นาบุพภาการบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวีทิตาย่างไรอเมื่อวานหลวงพ่อ ก, จก็จยก พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นบุพการีแรกที่พวกเราที่ได้รับพระธรรมคําสอนออกมาเนี่ยพวกเรายอมรับว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านนะั้มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันไหควรคิดอันไหนควรพูดอันไหนควรทําอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะ่มีมาก เพราะนั้นเราจึงเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ตัดสรุ้ชอบเองและก็ประกาศพระธรรมออกมาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ยอมรับเต่เมืก็กพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาพวกเราก็ยยอมรับ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะกรพวกเราที่เกิดมาแต่ละยุคต่อกันมาเรื่อยๆพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาอย่างไรต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างนั้นเราก็กราบไหว้สักการบูชามีดอกไม้ถูบทียนขึ้นมาแล้วก็กราบพระ กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์อะไรล่ะคือเราแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอ่อนน้อมยอมรับจากนั้นกับพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาที่ให้กําเนิดเรามาจากนั้นก็เลี้ยงดูเราอีกจนใหญ่ถึงขนาดนี้แหละอันนี้ประคุณของพ่อแม่มหาศาลถ้าคนมีปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิ่งระลึกถึงปร ะ, ประคุณ ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่ถ้าว่าคนมีปัญญาระดับหนึ่งก็คิดได้ระดับหนึ่งถ้าคนงโง่คนไม่มีปัญญาจะเลยก็ร ะ, ะลึกถึงพระคุณท่านไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีปัญญาที่ระลึกถึงลำลึกถึงหาคุณใครไม่ได้ขนาดคุณพ่อคุณแม่ก็ยังหาไม่เจอฮะเพราะหไรเพราะไม่มีไม่มีปัญญาคิด แต่ถ้าผู้มีปัญญาคิดก็ต้องลำเลิกถึงว่าพ่อแม่ที่ให้ให้กำเนิดเกิดมาแล้วเนะี่ยท่านเลี้ยงดูเรามาขนาดใหญ่จากนั้นท่านประครบประงมสมัยเป็นเด็กๆแบบเบาตัวแดงๆท่านทำยังไงทั้งหยอดน้ำทั้งให้อาหารทั้งเฝ้าทั้งดูแปบลบว่าเสียเวลาคนหนึ่งเฝ้าไม่พ่อก็แม่ไม่แม่ก็พ่อโดยมักแม่หยุดใหม่ๆจากนั้นก็กว่าจะ เป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาได้รู้เตียงสาภ า, ภาวะตามลาดับลาดับจากนั้นก็พยายามสอนเลยรู้จักสอนพ่อแม่ทั้งแม่น่สอนนะทานอาหารอย่างไงกินข้าวอย่างไงทั้งขี่ทั้งเหยี่ยวเราไม่ได้สนใจแล้วพ่อพอทานอาหารมันก็ต้องขี่ยุงเหยี่ยวใส่ผ้าพ่อแม่แม่ก็ต้องซักผ้าทุกวันนี่นก็ยังดีมีน้าปะปาสมัยก่อน สอสาวันเด็กไปซักในหนองน้ําแห่งหนึ่งไกลๆบ้านไปซักผ้าเาแล้วก็ซักผ้าอ้อมให้ลกูกถือเป็นเรื่องใหญ่สมัยก่อนขี่เยี่ยวทะเลกักองกองไว้ก่อนจะไปซักทุกวันก็ไม่ไหวพ่อแม่สมัยก่อนหาน้ําถ้าจะตักขึ้นมาซักก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันมันต้องใช้เวลาใช้ขี่เยี่ยวมันไม่ใช่ธรรมดาต้องไปหาหนองน้ําห่างๆไกล ซักเสื้อผ้าให้ลูกจากนั้นก็หอบมาใส่ตะ ก, ก้าใส่กระบุงแบกมากมะกตาก์ก็จะแห้งได้แล้วก็เอาชุดห่ไปเอ็กนี่แหละอันนี้คือบ้านนอกนี่ทีหลวงพ่อเคยเห็นนี่นะพ่อแม่แม่เลี้ยงลูกขนาดนั้นอันนี้ก็คือการดูแลจากนั้นก็เรืองความรู้ความฉลาดความรอบคอบพ่อกับแม่ก็สอนให้รู้จาก เรียกพี่ป่านะ้าอาอย่างไงพ่อแม่อย่างไงพี่น้องอย่างไงใช้วาจาอย่างไงถึงจะถูกย่องต้องอพยายามสอนอย่างนั้นก็พอที่จะเขาส่งเข้าโรงเรียนกสมัยก่อนอเด็กเข้าโรงเรียนแต่เจ็ดปีนะรุ่นหลงพ่อเจ็ดปีแล้วเข้าโรงเรียนไปจดชื่อแต่โอ้ยไม่อยากจะเข้าเลยล่ ะ, ะไม่อยากจะห น, นีจากบ้านนะแต่พ่อแม่ก็ต้อง บ, บังคับให้ลูกไปร้องห่มร้องให้จากนั้นก็ไปเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือติดหมู่ติ ด, ตดเพื่อนแล้วก็ไปได้เท่นั้นจากนั้นก็เรียนหนังสือถึงยังไงพ่อแม่ก็ต้องให้ความดูแลอยู่ตลอดอ า, อาหารการบริโภคสรุปแล้วคือคือเป็นผู้มีอุปกรณ์คนณพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดา อั น, น้เราจ ะ, จะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อท่านอย่างไรเนี่ยจากนันกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านดูแลปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองที่พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้ไม่ตกไม่ตกเป็นทาสเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นเข า, าท่านท่านใช้หัวคิดใช้ปัญญาอย่างไรปกป้องประเทศมา ถ้าเราได้อ่านประวัติศาสตร์และดูประวัติศาสตร์แล้วเราจะรู้ได้ว่าท่านกรักษาประเทศชาติยากขนาดไหนแต่เราไม่สนใจเราไม่ได้สนใจใครมีแต่สนใจแต่ข้าคนเดียวมันก็อย่างว่าอันนี้ประวัติขาดปัญญาไม่ได้คิ็กดูว่าใครอื่นจะทุกข์ยากอย่างไรข้าได้กินมาใส่ปากใส่ท้องข้าก็พอแล้ะข้าเด็บคนอื่นจะเป็นยังไงข้าไม่สนนะอันนั้นแปลว่าเห็นแก่ตัว ไม่มองเห็นใครถ้าเป็นคนประเภทดังนั้นมากๆแล้วก็ประเทศชาติบ้านเมืองโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายหาที่จบที่สิ้นไม่ได้แต่ถ้า ม, ามองไกลๆมองดูเห็นแล้วก็เราควรจะแสดงความกตัญญูอย่างไรต่อผู้มีอุปการะคุณอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินดูแลประเทศชาติปกป้องพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็นนี่แหละเสาเสาหลักสามชาติศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างรัชกาลที่สี่ที่ท่านคุ้มครองพระพุทธศาสนาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็เกิดมาในยุคนั้นท่านได้บวชได้รในในประพุติปฏิบัติธรรมจนได้สาเร็จมรรคผลจากนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็น บุรพาอาจารย์ของพวกเราก็ได้นำทำคำสอนที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาสอนพวกเราอีกพวกเรายอมรับปฏิปทาหรือวแนวความคิดหรือ่าที่หลวงปูเ่เสาหลวงปูม่มันที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนั่นเรายอมรับจากนั้นก็เราได้นามาประพฤติปฏิบัติกระทั่งทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มัน ดูอธิธาต์ของท่านจะกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นมืรู้กี่องค์ต่กกี่องค์สรุปแล้วก็คือเป็นแนวแถวของพระอรหันต์พวกเราเกิดมาจุดท้ายภายหลังยังได้กราบได้ไว่ายได้เคารพสักการะบูชาพระอรหันต์อยู่เพราะส่วนใจของท่านเราก็ไม่รู้แต่นามธรรมของท่านที่ท่านได้สาเร็จจุดนั้นเราไม่รู้ แต่เราพอรู้ได้แต่ว่ารูปประธรรมคืออธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นประธาต์ให้พวกเราได้เห็นถ้าเป็นกระดูกคนธรรมดาจะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้หลักธรรมท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอีกนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็บุพก า, ารีที่สี่คือคือพ่อแม่คือครูบาอาจารย์ที่เราบวชมาจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์มัวบวชมาแล้วก็มาศึกษากับครูบาอาจารย์ อย่างหลวงพ่อก็ศึกษากับหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงปู่แวนหลวงตาเคยจำพรรษาตรงนั้นก็นมีถึ้งเยอะแยะที่เข้าไปมาหาสู่ไปกราบไปไหว้ท่านได้ฟังโอวาทของท่านได้ฟังธรรมเทศนาของท่านจากนั้นก็ได้อ่านในลิขิตของครูบาอาจารย์แต่ละองค์อีกมาเสริมจากนั้นก็อ่านพระไตรปิฎกอีก มาวิเคราะห์แต่ละบทแต่ละคําแต่ละเรื่องเรามาวิเคราะห์ใส่กันก็ว่จินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นให้เกิดปัญญาจากนั้นก็นํามากรองอีกนํามาประพุทธปฏิบัติอกีกนั่งสมาธิภาวนาอีกจิตใจสงบแล้วนํามาพิจารณาอีกก็ยอมยอมรับว่า ธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนํามานี่ยทุกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้เนี่พราะดันั้นเราจึงยอมรับว่านี่คือบุพการีให้ธรรมะแก่เราอันนี้ก็คืออุปชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ที่ให้ความรู้ตลอดถึงครูโรงเรียนที่ให้เขียนกไก่ข้อไข่บวกลบบวกเลขเอ่ อบวกลบคูณหารสอนเราอันนั้นกัล้วนแล้วจะเป็นบุพภาการีให้ธรรมะให้ความรู้แก่เราเหมือนกันมันสืบสืบเนื่องกันถ้าทูโรงเรียนไม่สอนกอไก่ข้อไข่เราจะไปอ่านหนังสือออกได้อย่างไรออย่างคนผู้เฒ่าผู้แก่เห็นไหมทำไมได้เรียนหนังสือล่ะมันจะอ่านหนังสือออกไหมไม่ออก กานกัคือมันสืบเนื่องมันกันมาไปเรื่อยๆมือนกัเราปลูกต้นไม้นี่ปลูกใส่ดินขึ้นมาแล้วกัดูแลรักษาต่อมาเมื่อกัเป็นลากแกว์ลากฟอยลงไปต่อไปกับเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแก่นขึ้นมาเรื่อยเรือยจากนั้นก็เป็นหมักเป็นดอกเป็นผลน่ยมันสืบเนื่องกันนี่ก็เหมือนกันความรู้ความฉลาดของเราน่ยจะปรับปรับมันจะมาอยู่จุดนี้เฉลยเนี่ยอันนั้นแปลว่าเราก็โง่อีกเหมือนกัน เรามาได้ทบทวนในประวัติศาสตร์วความเป็นมาของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มของเราเราเรียนมาจากไหนเรารู้มาอย่างไรเราได้ศึกษาอะไรที่ไหนบ้างเนี่ยถ้าพวกเราทบทวนเราก็จะรู้ได้เนี่ยนะแล้วเราจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณท่านเหล่านั้นอย่างไรนี่แหละบุพการีเหมือนกันเพราะฉนั้น หลวงพ่อจึงบอกว่านี่แนหะให้พวกเราช่วยๆกันคิดนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อกเคยพูดกับท่านต่อหน้าท่านพิพากษา ท, ทุกระดับจำพ่อบอกว่าเนี่ยนศะีลธรรมของพระพทุทธเจ้าศีลห้าเนะี่ยอย่าฆ่ากันอย่า ข, าาขาโมยกันให้เคารพสิทธิสามีภรรยากันอย่ากโกหกกันอย่าไปกินเหล้าอย่าไปดื่มโซราศีลนะห้าประการเนะี่ยเป็นศีลคุ้มของโลก เป็นศีลทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนมีศีลธรรมถ้าคนขาดศีลธรรมมากๆคนไม่มีศีลธรรมเลยโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนถ้าอาตมาภาพจะถามท่านพิพากษาทุกท่านที่นั่งอยู่นี่เนี่ยที่ท่านตัดสินคดีความแต่ละวันแต่ละคดี เ, เกี่ยวเนื่องกับศีลห้าใช่ไหมท่านก็คงจะตอบว่าใช่ เออพวกท่านเหล่านั้นพวกที่ตัดสินเขา้าคุกเข้าตารางเหล่านั้นโดยมากผิดสินห้าใช่ไหมโดยมากผิดสินห้าใช่ไหมท่านเขาคงจะว่าใช่แล้วิเคราะห์แต่ละข้อละข้ะอออกมาเนี่ยผิดสินหา้าเพราะนั้นทั้งทุกคนมีสินหา้าทุกคนมีสินห้าสุกคุกตารางเนี่ยไม่มีแล้วพิพากษาก็ว่างเปล่าตำรวจก็ว่างเปล่า ไม่มีงานทำเพราะเหตุไรเพราะคนเคารพศิลธรรมไม่มีเป็นผู้มีสินแต่ทุกวันนี้คนขาดสินมากๆคนขาดสินมากเท่าไรคุกตารางก็ยังแน่นเข้าไปเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะว่าพอขาดศิลธรรมแล้ก็ต่างคนก็ต่างไม่เคารพในกฎกติกาจากนั้นก็ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอีกต่างหาก เนี่ยคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเขาก็ทำความชั่วทุกอย่างเ่ย mm hmm. เมื่อทําความชั่วเข้าไปจะไปไหนอ่าก็ไปสู่ตารางไปเข้าคุกก่อนทีแรกยังมมีชีวิตอยู่เข้าคุกก่อนแต่เมื่อตายไปแล้วนะ่ะไปเข้าคุกเมืองผีอีกตกนรกอ่ะยมมาถูดโยมพบาลเขาก็เอาลงนรกอีกไว้ก่อนอ่าจำอยู่ในคุกเนี่ยนี่อยู่ในคุกเมืองผีนี่เขาก็สอนวิชาอาชีพให้ คล้ายๆเขาว่าเขาเห็นแต่ร่างกายเแต่เห็นแต่ร่างกายของของคนเขาก็สอนอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าทําอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้นะนนะแต่ในใจเขาไม่รู้หคนคุมคนคนคุมคุกคุมคุ ม, ค ม, คมตารางเนยนักโทษเขาคิดยังไ ง, งเขาไม่รู้แต่ว่าเขารู้แต่ว่านักโทษถ้าทําผิดเนี่อไปต่อยไปตีแสดงอากัปกิริยายนี่ คนคุมเ็าจัดการเพราะเขาเห็นถ้าพูดยังไงออกมาไม่ถูกเขาก็จัดการเพราะมันเขาเขาเห็นแต่ใจเขาคิดยังไงนักผู้คุมคิดคุมไม่ได้บางทีอาจจะคุบคิดอยากจะฆ่าคนคุมอยู่ตลอดก็ได้แต่ว่าไม่มีโอกาสแต่คนคุมก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ารู้ตักายกับวาจาบางคบบังคับแต่ว่ากดระเบียบสิน อยู่ในศินเขาไปสอนในคุกซะก่อนทรมานซะก่อนอยาทำอีกนะสอนอีกเลยวิธีการทำทำยังไงถ้าปล่อยออกมาแล้วก็ยังไม่ดีจับเข้าไปคุกอกีกเพราะว่ามันมันยังเป็นคนชั่วอยู่แต่ว่าเมื่อตายไปแล้วถึงทำยังไงยมพบานยมมาทูตเขาเอาแต่ใจได้ปะ่ะจับใจตัวนามธรรมนะ่ะ ทำยังไงทำกรรมชั่วยังไง ท, ท, ที่ที่ทำไปแล้ว น, ะนั่นแหละขั้นขั้นก็ไปใส่คุกเมืองผีถิ่นะเอาไปลงนรกซะก่อนเอาไปเผาสิ่งที่มันชั่วชา้าเสียหายให้มันเข็ดซะก่อนกลับมาเกิดอีกแต่ก็ไปแน่เหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะแหอันนี้เป็นความเห็นหลวงพอ่อไปซุปจะในโลกนะั้กลับขึ้นมาก็ยิ่งแข็งกว่าเก่าก็ไม่รู้เนาะตัวมัน พอมันผ่านมาแล้วอย่างคนเข้าคุกเออเมืองไทยเนี่ยเหมือนกันพอเข้าไปแล้สักลายเต็มตัวออกมาแล้วยิ่งเก่งกว่าเก่าอีกพราะได้ไปเรียนวิชาความรู้ในคุกนะอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันนะนะไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนนิสัยเป็นคนดีก็มีตั้งเยอะแยะอีกเหมือนกันแนตะ่ไปเป็นไปทางเร็วกว่าเก่ากมีอีกเยอะแยะอีกเหมือนกันเนะพราะนั่นจุดแท้แต่ใจของคู่คนแต่ละคนเนี่ยจะเอาไปทางไหน เรารักดีหรือเรารักเร็วเนี่ถ้าเรารักดีเราก็ต้องใฝ่ใจในการกา ร, การกระทําดีถ้าเรารักเร็วเนีก็อย่างว่าในช่วยไม่ได้เหมือนกเราพวกเราบวชในพระพุทธศาสนาอย่างเนี้ยถึงจะเป็นพระ ก, กรรมฐานอยู่ในปานโรงโพงภัยก็ถเถอะเนี่ยถ้าเรารักถ้าเราไม่รักในทํามวินัยเนีถ้าเราไม่รักในธรรมวินัยเราออกนอกรูนอกทางออกจากหลักพระธรรมวินัย ก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันเนะีเพราะเหตุอะไรเพราะว่าใครจะไปรู้ทุกฝีเข่าทุกความคิดของแต่ละท่านนะมีแต่แนะนําสั่งสอนะครูบใบจานนะพระไตรปิฎกทั้งก็บอกกล่าวเท่านั้นเองแตนะ่ผู้ที่จะกระทาความชั่วหนระือความดีนะั้นอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายขณนะนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้วคืออยู่กับตัวเองทั้งหมดนะตัวเองรักดีหรือตัวเองรักชั่ว ตัวเองจ ะ, จะทำดีหรือตัวเองอยากจะทำชั่วตัวเองจะจะเป็นคนดีหรือตัวเองจะเป็นคนชั่วตัวเองอยจะเป็นจะไปสวรรค์นิพพานหรือว่าลตัวเองจะไปลงนรกแต่ว่าในใจธรรมดาเมื่ออยากจะไปสวรรค์นิพพานจะจะเป็นคนดีจะจะเป็นผู้มีฐานะเป็นคนดีในชุมชนสังคมเป็นวิญญาณที่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่ผลักดันให้ไปทางชั่วนะั้นมันมีก็ ค, คือกิเลสนะ ตัวนี้แหละตัวกิเลสเนี่ยแหละกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะเนี่ยผักดันใจดวงนั้นน่ะถึงเราจะอยากนีไปไหนก็ตามขยืออ้อเออขยื้อไปขยื้อมาเหมือนกับมัดขากบใส่ขาหนูอย่างนั้นน่ะกบมันจะก็ยื้อลงกระโดดลงน้ำํำหนูขยื้อขึ้นไปทางบกเออโผล่ในสุดบางทีก็ ถ้าหนูกำลังแข็งแรงกว่าถ้ากบมันเล็กนะหนูกับลากกบขึ้นฝั่งได้แต่ถ้าว่ากบมันตัวโตมีกำลังกว่ามันลากหนูลงน้ำอีกเหมือนกันทำไมยางว่าอย่างนั้นเพราะถ้าว่ากิเลสเรามากนะเราตามกิเลสมากกับเพากิเลสมันโตกว่ามันก็ลากทำํำลงไปทำความชั่วแต่ถ้าว่าช่วงไหนที่เราทำ พยายามสังสมคุณงามความดีเหมือนกับความดีก็เหมือนกับหนูมันก็ลากกบขึ้นฝั่งได้นี่แหละอันนี้ให้พวกเราสังเกตดูนะลุมสังเกตใจของตอนเองควร เ, เราควรจะให้กำลังอะไรเราควรจะให้กาลังกิ เ, เลสเราจะให้กำลังใจกำลังมรรคผลนิพพานเป็นหน้าที่ของพวกเรานะต้องหาเหตุผลมหาหักล้างแต่ละวีแต่ละวันต้องทำความดีเท่านั้น ต้องทำความดีเท่านั้นนะตั้งในใจนะจึงจะชนะมันได้นะถ้าทาว่าพวกเรามีแต่ปล่อ ย, อยาตามใจของตนเองโดยชอบโดยมากมันชอบไหลลงทางต่ำาละทางไหนเป็นทางต่ำมันจะชอบไหลไปทางนั้นอันรับพรอนอนุโมทนาให้พร